บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในพูดเรื่องอายตนาปร ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนาเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นในรกรณีที่เกิดกิเลสขึ้นมาต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า โลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัสธรรมะก็เกิดมาจากการเห็นเป็นต้นกิเลสก็เกิดมาจากความเห็นเป็นต้นด้วยความรู้สึกเฉยๆพวกก็เกิดมาจากการเห็นเป็นต้นเหมือนกันวัาการสอนนั้นก็ทรงสอนในกลุ่มเฉพาะในที่นี้ก็สอนในกลุ่มเฉพาะที่กิเลสมันเกิดขึ้นมายความมาจากการเห็นเป็นต้นนั้นกระตุ้น ให้กิเลสซึ่งสงบอยู่ภายในมันฟูขึ้นนำมากรุ่มรุมจิตตามอาการของกิเลสเหล่านั้นในมีการเน้นย้ำกิเลสหลักก็สามข้อคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือ ต, วตนวิจิกิสาวความลังเลสงสัยและสิรปตะปรามาด้วยการถือปั้นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติต่าง เรื่องวิจิติชาเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นพวกโมฆะเวลาอุปมาเองพระเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าเป็นเรื่องน่ากลัวเช่นเป็นทางเสือโคร่งบังเป็นเหวบ้างเป็นทางธุระกันดานบังหรือว่าเป็นภาพมายาเป็นตนบัง เมื่อมองเห็นว่าจับใดที่ยังมีความสงสัยอยู่ภายในจิตทุกอย่างมันจะหยุดชะ ง, งักเช่นสงสัยในการทำความดีการละความชั่วว่ามีผลเป็นความสุขเราไม่แน่ใจทั้งสองอย่างาจับใดที่ความไม่แน่ใจยังมีอยู่จับนั้นการทำความดีการละความชั่วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ มันต้องผ่านในจุดนี้ซะก่อนตามปกติและกลแ้วกิเลสประเภทนี้มันจะเกิดมาจากปกโมฆะมันเป็นความรู้ไม่ตลอดคือเราสงสัยในบางจุดไม่ใช่สงสัยทั้งหมดถ้าสงสัยทั้งหมดประเภทจะเรียกออว่าอวิชชานั้นคือมืดบอดไปเลยที่จริงมันไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้จะสงสัยอะไร มันกำถาสงสัยจึงเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเราได้เห็นได้ยินได้สืบ ด, ดมได้ริมได้จับต้องมาในระดับใดระดับหนึ่งแต่ก็มีบางเรื่องก็เกิดความสงสัยความเป็นพุทธศาสนิกชนของเราที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพรรัตนาใจเพราะอะไรเพราะว่าพรรัตนาใจนั้นเป็นหัวใจของความเป็นพระพุทธศาสนา และในความเป็นพระตัณตรัยนั่นเองมันก็สืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าแต่เราเกิดมีปัญหาข้อข้องใจเรื่องแปงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องของพระพุทธเจ้าแม้เพียงจุดเดียวนะฮะเรจะเห็นภาพคล้ายๆกับกระทงที่ลอยไปขนาดใหญ่แล้วมีนามมาเกี่ยวไว้นิดเดียวเองลอยไม่ได้แล้ว ติดอยู่ตรงนั้นเองทั้งๆ ท, ท, ที่ว่ามันน่าจะไปได้แต่ไปไม่ได้ความรูร้สึกทางใจเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดบรรดาสิ่งที่ผูกมัดทั้งหลายอย่างที่โล ก, ก น, นิทันกล่าวไว้ว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอสับปะทาครอหนอกไว้พัญญายเยี่ยงบ่วงพอยึรองรัดมือดาสามบ่วงไรพ้นได้จึงพ้นสงสรัร หรอเห็นว่าที่จริงมันเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกผูกพันเยื่อใ่สิเนห์ฮาลัไลไม่สามารถจะตัดได้มันไม่ใช่อา ม, ามัดจริงๆรอเรอามาขังไว้จริงๆอามาัดตอกตรึงไว้จริงๆแต่เป็นปัญหาในด้านจิตใจในตรงนี้แม้เพียงข้อเดียวเนี่ยเราก็ไปไม่ได้นะ ติดทรัพ ย, อ ย, ยไไ์อย่างเดียวก็ไปไม่ได้ติดสามีพัญญาอย่างเดีวดเยว ก, ก, ก, ก, ก็ไปไม่ได้ตนะิดบุตรธิดาอย่างเดียวก็ไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างท่านคุรธานบัณฑิตว่าติดจอบเขี้ยนกับเมล็ดพันธุ์ผักเล็กน้อยท่านนั่นเองท่านก็ไปไม่ได้เนี่ยเรืองกันปฏิบัติในจุดนี้จึงมีอยู่สองแนวในกรณีที่เราไม่สามารถจะ กระจัดความเครียแครงสงสัยโดยลำพังตนเองได้เราก็ใช้ความเชื่อทํานองคกล้ๆจะไปในที่ใดที่หนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกเราก็เดินตามหลังผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ท่านก็ น, นำไปเรามอบทุกสิ่งไว้กับผู้ใหญ่ไว้วางใจผู้ใหญ่ เป็นการเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อญาติผู้ใหญ่หรือว่าเชื่อผู้บงังคับบัญชาเป็นผู้ตต้บังคับบัญชาเป็นตัว น, นี้แสดงรสชาความเชื่อเรายังเครียดแกร่งสงสัยแต่ว่าตรงนั้นเราไม่ได้เครียดแกร่งสงสัยเพราะเรามอบความเชื่อมั่นไว้ที่ตัวผู้บงังคับบัญชาหรือตัวผู้ใหญ่แต่ตรงนี้จริงจริงมันก็มีปัญหา พอมาถึงความสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าศรัทธานั้นจะต้องไปอยู่ที่พระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดปัญหาความสงสัยในพระคุณบางข้อเยอะยัวอย่างเท็จได้ชัดเนี่ยเราเคยพูดถึงโลกเป็นจำนวนพันพันปีแล้วก็หมื่นหมื่นปีเดี๋ยวนี้ก็พูดเป็นแสนก่อนหน้านั้นพูดเป็นแสนแสนเดี๋ยวนี้พูดหลายล้านแล้ว มีเพอสิ้นหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ลงเหลืออยู่ว่ามีอายุตั้งสามรอยล้านปีหรือ400ี่รอล้านปีแต่ว่าจริงอายุมนุษย์มันก็มีอยู่แค่ที่เราค้นพบไปแล้วนี้ก็มีประมาณล้านปีแต่ที่จริงพุทธศาสนาแสดงโลกไม่รู้สักกี่ล้านปีกี่ร้อยล้านปีแล้วมันหมุนบนเป็นวัฏจักรอยตอนนี้นักวิจารณ์สมายใหม่ก็อาจจะสงสยัยว่าเอ๊ะที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้น่าจะไม่ถูก มันเกิดสงสัยในตัวคำสอนแต่มันเชื่อมโยงกับองค์พระพุทธเจา้าเลยก็กลายเป็นปัญหาในการปรฏิบัติข้ออื่นมันเกิดสงสัยในข้ออื่นด้วยตรงนี้ก็เกิดหยุดชะ ง, งักหมดเลดเพราะนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านก็ใช้ใช้ปัญญ า, าที่จริงเป็นหลักจง ไปตัวแก้สงพระโมหะนั้นเหมือนความมืดวิธีแก้มืดก็คือสว่างแต่แบบศรัทธานั้นก็หมายความว่าเราก็เดินที่มืดแต่ก็มีคนจูงให้ตึนคนนั้นเขามีแสงสว่างหรือคนสองทางให้เราก็ไปได้แต่ว่าส่วนของการใช้เรียกได้ว่าวิกิติสายความเครียดแปรปมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าอายนิสโสมนสยการ คือการคิดที่ไม่เป็นระบบการคิดไม่มีเหตุมีผลที่สุขุมเราคอบพอในเรื่องเหล่านั้นคือเราอาจจะคิดเรื่องหลายๆเรื่องได้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดเอาจริงๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องอดีตเรื่องอดีตที่เป็นไปแล้วผ่านไปตั้งนานแล้วเรื่องดีส่วนใหญ่จึงต้องใช้เชื่อด้วย ไม่เคใช้เฉพาะปัญญาเียนอย่างเดียวเพราะจริงๆเราพิสูจน์ไม่ได้เร ย, ย่องนี้คุณพ่อบอกว่าคนนี้เป็นปู่เป็นยา่าเราก็เชื่อเราเกิดไม่ทันคนนี้เป็นปู่ทวดเป็นย่าทวดเราก็เชื่ออีกเราจะพิสูจน์ทดสอบได้ยังไงเราเกิดไม่ทันเพราะระหว่างศรัทธากับปัญญาเนี่ยจึงมีการสอนเน้นย้ำอยู่เรื่อย แล้วในแนววางองค์ธรรมพทิวเจ้าจะวางไว้คุมหัวกลุมไทยหมายความปัญญาจะอยู่ข้างหน้าศรัทธาจะอยู่ล่างสุดอยู่ข้างหลังสุดคือคุมทุกเรื่องเพราะปัญญาเหมือนแสงสว่ า, นางนิรันดร์ปัญญาจะกลายเป็นตัวคุมทิวเจ้าทรงอุปมา ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจบั้นกับปัญญาความรอบรู้นี่เหมือนกับเพื่อนหาคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารอีกสี่คนเป็นบุตรของอำมาตเป็นเพื่อนกันเวลาไปเที่ยวกันไปถึงบ้านเพื่อนคนไหนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบอีกสคนแต่พอเข้าถึงวังคือเข้าถึงสถานที่ใหญ่เข้าถึงวังแล้วเนี่ย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้าการดูแลของราชกุมารซึ่งก็คือปัญญาเพราะการปฏิบัติธรรมะทั้งหลายพอถึงจุดสำคัญครับจริงๆต้องใช้ปัญญาปัญญาจะต้องเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะบางทีเราหลงาก็ได้หลงเข้าใจว่าธรรมะ หรือบางทีมันก็เปลี่ยนกิเลสตัวหนึ่งเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งโดยเราไม่รู้ที่จริงมันเปลี่ยนแล้วใจเราไม่ได้ไม่ได้บริสุทธิ์อะไรเลยเพียงแต่กิเลสมันเปลี่ยนคล้ายๆกับเป็นอายาอย่างเนี้ยมันร้อนออสิ่งนี้มันเย็นเราก็นึกว่าเย็นะที่จริงเป็นโทษ เ, ออเป็นคุณแต่บางทีเย็นก็เป็นอันตรายอย่างในกรณีที่มีข่าวันนี้เรื่องผ้าเย็นที่เอาไปเชตาแต่ถึงตาบอด เราคนหนึ่งร้อนๆก็ผ้ า, าเย็นเช็ดอตอนร้อนตาไ ม, าม่เสียพอเอาผ้าเย็นเช็ดเลยไปเลยนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราก็เปลี่ยนย้ายจากจุดหนึ่งไปถูงจุดหนึ่งตัวในการมองนั้นจะต้องมองกลับไปที่หลักซึ่งเป็นรูปแบบสมเอกรูปจริงๆจากราพระพุทธเจ้าหมายความแนวธรรมะปฏิบัติเนี่ยเราจะศรัทธานำหรือปัญญานำก็ตาม เราอิงอาศัยซึ่งกันและกันเช่นในกรณีของศรัทธานำเราเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ทำตามท่านแล้วก็เพื่อนเราอย่างอย่า ง, าง ก, ก็ดีแต่เห็นเดียวเขาไม่ยอมเชื่อพอเราประสบความสมําเร็จจากการศึกษาเราเรียนในการทํางานตามที่เราเชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้า ปัญหาว่าเรามองเพื่อนที่ประสบความล้มเหลวอย่างไรถ้ามองด้วยความสุก ป, ประมาทด้วยความดูบินด้วยความเหยียดยาำก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ธรรมะอะไรขึน้นคือมันเปลี่ยนย้ายกิเลสไ้เฉยเปลี่ยนจากความเกลียดคร้านเปลี่ยนจากความโหวดดื้อที่เรามีต่อค น, นพ่อแม่เป็นต้น ก็มากลายเป็นมานะคือการดูหมิ่นคนอื่นเป็นอติมานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านเป็นแข่งดีทแตอย า, ามันก็เป็นกิเลสมัไม่ได้ช่วยอะไรให้ได้เพราะฉน้บางครั้งบางคราวเนี่ยโดยผลของการปฏิบัตเราไม่รู้จริงๆมันไม่ใช่ผลของธรรมะผลธรรมะจะออกมาต้องเป็นผลของธรรมะเพราะฉนั้นปัญญาเกิดเนี่ย ใจเราจะบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นั้นจะมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาจะมองสิ่งอื่นคือไม่ใช่ชีวิตสิ่งไม่ใช่ชีวิตนั้นจะมองตามความเป็นจริงแต่สิ่งที่มีชีวิตจะมองด้วยความเมตตากรุณาเสมอเหมือนกันไม่ได้ยกเว้นคนนา้นพี่คนนั้นเป็นญาติพี่น้องคนนั้นเป็นรัตรูคือถ้าผลธรรมะจริงๆแล้วเนี่ย แม้คนเป็นศัตรูก็จะลดหย่อนความรู้สึกเป็นศัตรูลงไปคือจะมองเขาด้วยความเมตตาความสงสารเขาเจอสิ่งโลกอื่นหมายความว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติต่างหลายจะมองตามความจรงิงความจริงในขณะนั้นของสิ่งนั้นเป็นอย่างไงก็จะมองอย่างนั้นและจะพูดไปตามนั้นเจอสิ่งเหล่านี้เราไปยืนยันในอย่างหนึ่งไม่ได้คนนี้เช่นสมุทรพูดหนาวร้อน บรเวนี่อุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องมองที่ไหนเวลาอะไรเพราะอะไรเพราะอุณภูมิเองมันเปลี่ยนแปลงเราถ้ายืนยันเราต้องยืนยันสถานที่ยืนยันเวลาด้วยและยืนยันวันได้วันนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นอุณภูมิเท่านั้นแต่ต่อมาอีกสิบนาทีหลังจากนั้นไม่รู้มันก็เปลี่ยนแปลงละ อันนี้ก็คือมองตามความเป็นจริงที่ปรากฏในแต่ละขณะไม่ใช่ว่ายืนยันไปทุกขณะเพราะทุกขณะมันไม่เหมือนกันจรงิงหลายมันก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าคนท้าสัตว์เนี่ยเรามองเหมือนผู้ใหญ่มองเด็มองด้วยความรักความเมตตาแบบมองลูกมองหลาน คนที้ทําไม่ได้นั้นเป็นคนที่ควรเข้าใจควรที่จะรอคอยควรโยดทนควรจะให้อภัยครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกดื่มเหล้าได้เลิกเล่นการพนันได้ปัญหาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์อีกทีหนึ่งก็คือว่าเรามองคนสูบบุหรี่อยู่ในอย่างไรมองคนดื่มสุราอย่างไรมองคนเล่นการพนันอย่างไรถ้ามองด้วยความดูถูกดูหมี่นหรือบางทีด่าก็เลย มันได้อะไรดา่านั้นเป็นวจีทุจริตดูมินนั้นเป็นมานะเราลดสูบบุหรีลงไปเราก็ลดโมหะเราลดโลภะลงไปแต่เราเพิ่มมานะเราเพิ่มทุจริตเพิ่มเพิ่มอติมานะแล้วก็เพิ่มวจีทุจริตทีนี้จะถามว่าเป็นเหตุห้ตกนรกไหมมันก็ตกด้วยกัน แล ว, วจิตรจดิตนั้นค่อนข้างจะแรงกว่าตัว่ากิเลสที่เราละไปที่จริงมีจํานวนน้อยกว่ากว่ากิเลสที่เราสร้างขึ้นมาใหม่โดยการดูหมิ่นเขาโดยการด่าว่าเขาโดยการซ้ำเติมเขานั่นก็คือการมองธรรมะว่าธรรมะต้องเป็นกระบวนการเขาอย่างนี้มันไม่ได้มองอเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งจุดนี้ท่านทำได้ ทำไดเส็จแล้วก็น่งนินทาคนอื่นทั้งด่าคนอื่นก็นั่งอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คน น, น้นอย่าง น, น้นแล้วต้องดูที่ใจเร า, าใจอย่างร้อนก็แสดงว่าใจเรายัางไม่บริสุทธิ์จากใจที่ไม่บริสุทธิ์นี่จึงมองเป็นเราเป็นเขามองด้วยความดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านหมายความยังไงหมายความปัญญาเรายัางไม่พอที่จะคุ้มครองตัวเองได้ ตกลงว่าธรรมะปฏิบัติในจุดนี้ในในในกรณีนั้นๆก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักของธรรมะเพียงแต่เราหลงเข้าใจผิดว่าเป็นธรรมะเพราะอย่างที่บอกมาแล้วว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าปัจจัยาการก็พูดย่างหน่อยหมายความว่ามันจะเป็นต่อนเนื่องกันไป สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดก็ทยอยกันไปเรื่อยๆใกล้ ๆ, ๆกับฝนตกมันมีบุคคลเหตุคือก่อนฝนจะตกมันก็มีเหตุอะไรปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงในปรากฏขึ้นเพราะในขณะที่ฝนตกมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากฝนตกแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ต่อนเนื่องกันไปจากฝนตก ถึงจะนับแล้วก็นับอีกมากมายแต่ถามมาทําไมเป็นอย่างงั้นบอกเพราะฝนมันตกซึ่งบางครั้งบางคราวต้นไม้ที่ปลูกไว้ใหม่ๆอาจจะหักผ่าดีตากไว้เปียกสิ่งที่ไม่ต้องการในเปียกฝนก็เกิ ด, เ, ก ด, เ, กดเปียกฝนขึ้นมาหลังคาเกิดรั่วอะไรอะไรมันตามาเป็นแถวแต่ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก็บอกเราเราก็บอกได้เพราะฝนตก เหตุผลเหล่านี้บันทิบมาทยอยมาไกลๆอายุโซนร้อนอาจจะตั้งขึ้นแถบมหาสมุทร Pacific. แปซิฟิกแถบทะเลอันดามันแถบตะเจจีนใต้อรต่าๆๆว่าไปมันมาเปลี่ยนอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างงั้นแล้วก็มาถึงเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปแล้วก็ไปออกประเทศอื่นต่อไปนั่นคือแนวปฏัยาการที่ต้องมองเห็นว่าธรรมชาติของกิเลส ก, ก็ดีธรรมะก็ดีมันจะเป็นแนวอย่างงั้น พออย่างนึงเกิดเนี่ยย่างนึงจะเกิดทยอยกันไปแล้วก็ทำหน้าที่สลายอีกฝ่ายที่ทรงกันข้ามเพราะงั้น ป, ปัญหานี้ก็มาถึงว่าบางจุดเนี่ยเราไม่ได้ติดในรูปแบบแต่ว่าติดในตัวเนื้อหาของมันทานองแค่เราจะเดินทางแต่เราไปติดในรูปแบบว่าต้องไปทางนั้นทางนั้นทางอื่นไม่ได้แล้วปฏิเสธทางอื่นมันก็ไม่จริง ว่าตำนองไกลๆกับท่านสาวชนทั้งหลายมายที่ตึกสวธรรมนิเวศแห่งนี้ท่านก็ไม่ได้มาทางเดียวกันโดยยานพนาหนะอย่างเดียวกันแล้วก็ไป่ไมาถนนเดียวกันแต่ถ้าเราไปเถียงตรงโน้นมันก็เถียงกันยากนะประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นว่ามาถึงตึกสวธรรมนิเวศหรือไม่ถ้าถึงก็คือถูกต้องแ ต, ต่ถ้ามปฏิบัติ ก, ก็จะมีแนวเดียวกันว่าสมมติเราช้โยนในสสมณติกาเ ตึงเป็นปัญญาเราใครควรเราพิจารณาโดยเหตุโดยผลมีความรอบคอบถูกต้องพอสมควรเท่าที่เราจะคิดได้แต่ปัญหาสำคัญว่าจิตเนี่ยมันบริสุทธิ์จากความโง่ความเครือแกร่งสงสัยความไม่แน่ใจความลังเลอะไรต่างๆอยู่หรือไม่ถ้าตรงนี้ยังไม่หมดไปก็หมายความว่าโยนิโสมนสัญติการตรงนั้นยังใช้งานไม่ได้ ใช้งานตามลราฟังตัวเองไม่ได้มันไม่ได้ทํำยังไงล่ะมันก็ต้องใช้เชื่อใช้เชื่อเข้าไปช่วยเพราะส่วนหนึ่งเราก็เชื่อเอาส่วนหนึ่งเราคิดได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสนั้นจะถูกขจัดได้ทำท่านสาชนทั้งหลายจะต้องมองธรรมะว่บาบางครั้งพระเจ้าทรงแสดงไปข้อเดียวแต่นั้นเอง แต่ว่าขาจักกิเลสได้หมดยังไงบางทีพูดทีริโอตปะสองข้อบางทีพูดสติข้อเดียวบางทีพูดปัญญาข้อเดียวบางทีพูดศรัทธาข้อเดียวเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าข้อเดียวเนี่ยเขาขาจักกิเลสได้แต่ว่าที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้มาข้อเดียวเขาก็มาเป็นกระบวนการเขาเพียงแต่ว่าเราไม่พูดเท่านั้นเอง ทำนองใกแค่ก็พูดกินมากิกนข้าวไปเที่ยวในคำคำนี้มันมีอะไรอยู่อีกเยอะในคำว่ากินข้าวมันมีกรรมวิธีก่อนที่จะกินแล้วมีกรรมวิธีในการกินแล้วก็หลังจากการกินแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกินที่กระทบกระเทือนต่อร่างกาย ของเราในทางดีหรือในทางไม่ดีก็ว่ากันไปตามร่รวมควรก่ดกรนในก็แต่สรุปว่ามันไม่จะมาลำพังไม่ได้เกิดขึด้นโดยลาพังแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นถ้าใช้โยนในสมนัติการแล้วปรากฏว่ายัางไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่จะไปยังไงก็เราก็ไปไม่ได้แล้วปัญญาเรามีแค่นั้นเองส่วนหนึ่งก็ต้องมอบความเชื่อ วความเชื่อให้ในพระพุทธเจ้าไอ้การเชื่อนั้นสลิดเปล่ไม่ได้ถ้าเป็นบุคคลก็ต้องแน่ใจในตัวคนนั้นตัวคนนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์จริงมีปัญญาจริงเราจึงเชื่อท่านหมายความเราต้องการจะอาศัยปัญญาท่านตรงนี้เราไม่มีปัญญามากพอเราเชื่อท่านเราที่จริงก็คือเราอาศัยปัญญาจากท่าน ทึงก็ดูแล้วแค่ๆ ก, ก็เดินไปด้วยการมาถึงที่มืดพอดีเราไม่มีไฟฉายท่านมีไฟฉายหรือไฟฉายก็เรามีส่องไปได้หน่อยหนึ่งฐานหมดตรงนี้ทํำยังไงอะ่ะเราก็ต้องเดินตามหลังท่านไปเดินทาไมเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอาศัยแสงสว่างจากท่านเพราะท่านมีไฟที่ส่องไปเห็นท่านเดินเราก็เดินตามไปเรื่อย การไม่ตกเหวตกบอ่อเราก็ไม่ตกนั่นคือแนวของการปฏิบัติดังนั้นใจเห็นได้ว่าความบริสุทธิ์จึงเกิดได้ทัจากสองทางเช่นปัญญายะบริสุทธิ์จิติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้โดย ป, ญญดปัญญานั้นแสดงว่าปัญญาไี้นําไปสู่ความบริสุทธิ์ได้สุดจากอศาสวะกิเลจริงๆเลยนะฮะมันก็เอามาจุดสูงสุดไปไปจนถึงจุดสูงสุด ปัญญาเขาก็นำเองได้แต่เราอย่าลืมว่าพระทรงแสดงว่าศรัทธายะตรติอกันบุคคลสามารถข้ามพ่วงน้ำคือกิเลสได้ด้วยศรัทธาก็แสดงว่าศรัทธานำไปนิพพานเหมือนกันคาว่าพุทธะแปลว่ารูร้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบาน พระเจ้าทรงแสดงว่าสติโล ก, กัสมิชาพะโรธรรมะเป็นเครื่องตื่นในโลกก็หมายความอย่างไงหมายความว่าไอ้ตัวสติเองเนี่ยทำให้คนบรรลุนิพพานได้แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงว่าวริเยนาดุขมัตเจติบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเอาละสิความเพียรก็นําคนพ้นทุกข์ได้เหมือนกัน แสดงว่าธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อนี่พอเขาเกิดเนี่ยเขาดึงพวกสหสหชาติเขาเองเขาเรียกว่าพวกเป็นปัจจัยของการแลกกันสหชาติปัจจัยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันมันเป็นกระบวนการธรรมชาติคือบางทีเนี่ยในการพูดการสอนก็ไม่จาเป็นจะต้องพูดต้องสอนคือส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้เป็นสะบัดตรงไป พอจะเอามาอธิบายเยอะแยะไปหมดเลยมันก็พูดไม่ทันแล้วก็รับไม่ไหวด้วยเพราะงั้นท่านจะพูดไว้เป็นข้อๆจะในกรณีนี้จะเน้นไปที่อยู่ในโสภณสิการก่อนหมายความว่าใช้ปัญญาพิจิตพิจารณาจากข้อมูลเหล่านั้นที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสแต่ว่าต้องดูอีกตัวหนึ่งคือว่าความเครียบแคลงสงสัยหายหรือเปล่าถ้ายัางไม่หาย แล้วเราก็ไม่พร้อมจะใช้ปัญญาก็ต้องเพิ่มแสงสว่างตรงนี้คือเพิ่มข้อมูลต่างๆก็หยุดคิดก่อนค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมเดี๋วก็มาคิดใหม่คิดใหม่ก็ใจเห็นว่าความเครือข่ายสงสัยลดลงตัดสินใจได้หลายอย่างตัดสินใจไม่ได้ไม่ยอมใช้ความเชื่อก็ต้องใช้ความรู้ความรู้เรายังไม่พอก็ต้องคิดเอาต้องค้นเอาเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมะจะต้องเป็นไปในลักษณะนั้น ไม่ใช่ว่าพื้นฐานปัญญาเราไม่มากพอต่อการจะวินิจฉัยในเรื่องนั้นคือไม่ใช่ไม่มากพอจะวินิจฉัยทุกเรื่องหรอกว่าจริงๆคนเราเขาก็เก่งในคนละเรื่องบางทีก็หลายๆเรื่องเนี่ยทำไปแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนข้าวถ้าจริงๆเลยไม่รู้เรื่องมากเลเพราะฉั้นตรงตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมอาศัยความเชื่อด้วยแล้วเราไม่มีแสงสว่างด้วยเนี่ยคือไม่มีปัญญาในเรื่องนั้น ในจุดนั้นที่จะใช้ในจุดนั้นเราจะมีปัญหาทันทีเลยจะไปไหนก็ไปได้คือต้องมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมไป้วนึกถึงกลุ่มกิเลสรวิชาว่าเหมือนกับเราตกอยู่ในที่มืดเราเคยเจอที่มืดเดวยวกันเราจะพบว่าถ้ามืดตื้อๆจริงๆนี่จะยุ่งยากมากแต่ระดับวิจิกิจฉานั้นไม่ถึงกับมืดเตื้อ เกียงแต่เป็นความมืดที่เรามองเห็นไม่ชัดเจนจึงเกิดความเครื่อนแปรงสงสัยหรือมองชัดแต่มองระดับหนึ่งของมันลึกกว่านั้นหรือบางทีก็มองได้ส่วนหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ของมันกว้างกว่านั้นบางทีมองจํานวนหนึ่งแต่ทั้งๆ ท, ที่ของมันยาวกว่านั้นเพราะจะมองได้ทั้งแนวตื้นแนวลึกแนวกว้างแน ว, แน ว, แนวยาว แนวหนาอะไรต่างๆคือมองได้ทั้งหมดอ่ะเพื่อไม่เกิดเป็นปัญหาทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามองเห็นแล้วว่าความคเครียดแรงสงสัยนั้นได้หายไปได้จางไปตรงหนึ่งบางแห่งเราใช้ปัญญาไม่พอเราก็ใช้ศรัทธาทีนี้ในกรณีที่ใช้ปัญญานั่นเองเราก็จะเห็นว่าศรัทธาก็เกิดขึ้นอ่ะมันศรัทธามันจะเพิ่มขึ้น ให้ลองสังเกตให้ท่านสาธาชนตั้งหลายลองนึกดูพระพุทธคุณสักข้ อ, ขอก็ได้กันหนนั่งคิดคิดมันเรื่อยๆเช่นพระเจ้าบริสุทธิ์จริงไหมเราก็หาเรื่องมายืนยันว่าบริสุทธิ์จริงไหมแล้วหาเรื่องมาค้านด้วยเราไม่บริสุทธิ์เราหาเรื่องมาดูสิหามาทั้งสองอย่างค้านก็ได้ยืนยันก็ได้แล้วเราจะค่อยๆเห็นว่าไอ้เรื่องที่นํามาค้านเนี่ยมันหาไม่ได้ไม่รู้จะหาที่ไหน แต่เรื่องยืนยันเนี่ยนะเรื่องยืนยันว่าพระเจ้าบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันมีมากเลเกิดแสดงถึงน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์แสดงถึงน้ำพระทัยที่ประอบด้วยความกรุณาตลกเราใช้ปัญญานะแต่ว่าจิตใจเราจะมีศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นในพระพุทธเจ้าแต่บางทีเราใช้ศรัทธานะ ศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความสัมผัสตรงเกิดขึ้นปัญญาก็จะเห็นประจกักษ์ชัเจนมากจริงเข็งเพรา ะ, ะนั้นจะใช้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อใช้ข้อหนึ่งเนี่ยข้ออื่นจะตามมาผลที่เราจะต้องดูก็คือดูผลที่ปรากฏแกจจิตเมื่อสมสิ่งมีชีวิตนั้นจะมองโดยไม่ตากระหนาน ถ้าสิ่งไม่มีชีวิตจะมองตามสภาวะธรรมเขาทั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วไปมองตามสภาวะธรรมเขามันเป็นของมันอย่างนั้นเองมไม่ได้เกี่ยวอะไรพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกหรือไม่เกิดขึ้นเราจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นธรรมนิยามคือเงื่อนไขตามธรรมชาติธรรมดาเป็นธรรมทิจจิคือมันตั้งอยู่อย่างนั้นเอง พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดจะแสดงหรือไม่แสดงเราจะรู้หรือไม่รู้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นใล้ๆขนตกแดดออกคกล้ๆดินน้ําลงไฟเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพียงแต่ว่าพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้เห็นทำความเป็นอย่างเราก็หาประโยชน์จากมันเพราะชีวิตเราขาดดินน้าลงไฟอากาศไม่ได้เราต้องมีดินน้ําลงไฟอากาศเราก็เรียนรู้คุณรู้โทษ แล้วเพื่อจะให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในหลายวิธีด้วยกันเราจึงพบว่าเรื่องดินอย่างเดียวเรื่องน้าอย่างเดียวเรื่องอาหารอย่างเดียวเรื่องลมอย่างเดียวอะไรต่ออะไรจะสอนไว้หลายวิธีหลายระดับมั่นก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราใช้ปัญญาเห็นประจักษ์ตามความจริงของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นๆในสถานที่นั้นๆและในเวลานั้นๆก็ทำให เพิ่มพูในส่วนของศรัทธาความเพียรสติสมาธิแล้วก็ปัญญาโลกทัศั์ของเราก็จะสงบเยือกเย็นมากขึ้นขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส็จต่อไป